ฟางธรรมกรนะดังการมีธรรมปฏิบัติธรรมบางแล้วน้ำไปปฏิบัติเป็นของมีคุณมีค่ายิ่งอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้คุณค่าแห่งธรรมีนมีเงินมีทองก็ซื้อหาเอาไม่ได้ โผกันก็ไม่ได้นอกจากเกิดจากการกระทาขึ้นมาของแต่ละคนเองมีอยู่แล้วในตัวเราปฏิบัติธรรมคือสร้างคุณค่าขึ้นมากับกายกับใจมีอาหารกินดีด ก็ยังแก่เจ็บตายมีเสื้อผ้าดีๆมีว่านดีๆมีรถยนต์ดีๆ ม, มีเพื่อนดีๆสามีปัญญาลูกอันดีๆก็ยังมีการเกิดเก็บเก็บตายอยู่จึงเป็นทุกข์เพราะความเก่ความเก็บความตาย มีธรรมนี่วันเหนือชิงโลนั้นไม่มีทุกข์ราะความแก่ความเจ็บความตายมีกันทุกคนเรื่องนี้อย่าไปมอกแค้ใครธรรมะที่เป็นความไม่จ็บไม่เจ็บไม่ตายนี่ประกอบขึ้นมาโดยหลักการปฏิบัติ สัมผัา ด, ด้วยทุกชีวิตเวลาเราปฏิบัติมีจุดที่เป็นเกณที่วัดตั้งไว้ที่กายเป็นเจ้าถิน่นเจ้าเลือนก่อนวิธีปฏิบัติประกอบลงไปให้รู้จักตัวไปในกายอยู่เป็นประจำอะไรที่มาเกิดขึ้นกับกาย อจติเป็นตัวเฉลยให้รู้สึกตัวว่าจะได้เห็นกระแสแห่งความไม่เจไม่เจบไม่ตายเพราะหมือนเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติหลงเป็นรู้เนี่ยไปอย่างนี้สุขเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้ผิดเป็นรู้ ถูกเป็นูสงบเป็นรูปพุ่งซ่านเป็นรูปปวดเปื่อยเป็นรูปอะไรเกิดขึ้นกับกายใจให้มีความรู้อย่างนี้นี่แหละคือกระแสของความไม่เจ็บไม่ตายได้ปฏิบัติได้ทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะ มีศาสตรมีชินมีประสบการณ์มีบทเรียนได้ฝึกกายฝึกใจไปในตัวให้เห็นให้รู้่าเจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกไปเรื่อยๆจะเกลี้ยงกเกลาเปลี่ยศาสตร์เป็นชินขึ้นมา สีลก็จะช่วยอีกสมาธิก็จะช่วยอีกปัญญาก็จะช่วยขึ้นมาอีกเยอะแยะทำนี่ไม่จนเลยคำสั่งคำสอนของพทธเจ้าเป็นมือดุกของกายของใจเราแท้แท้อย่าไปม้อแพ้ใ ค, ใครคนอื่น ให้คนอื่นเป็นคนดีวิเศษเป็นอาจารย์เป็นผู้หลอกผู้ย่อยเป็นหวนดิดเป็นครูเอาดีจากคนอื่นมันก็ยังเป็ น, ปนทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายาเอาดีจากคนอื่นเพื่งคนอื่น ต้องฟึ่งตัวเองปฏิบัติธรรมเปลี่ยนชีวที่ไม่ถูกให้ถูกต้องเอาเองเปลี่ยนที่จริงเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองมีสติหลงใหลในการปฏิบัติมันมีงานทําอยู่เพราะเราเคยใช่ยกายช่ใจผิดม า, มากพอให้กายเป็นจุกเป็นทุกข์ เดจเดือัหาเกิดกโกรธลุบหลงหรือใจเฉือใจพอใจไม่พอใจมันก็ไม่เป็นตัวแปงก้อนไม่เหมือนวัตถุอื่นๆหลือกับซักผ้าทำอะไรต่างๆที่เหมือนสุขภกโดยกรรมวิธีวัตถุที่หนึ่งที่สอง รต่ว่าปฏิบัติธรรมในตัวมันเองอยู่ในตัวมันเองในกายก็มีผิดมีถูกอยู่ในกายนั้นในจิตใจก็มีผิดมีถูกอยู่ในจิตใจนั้นว่าแต่มีสติเปลี่ยนได้ทั้งหมดแก้ได้ทั้งหมดให้เป็นความถูกต้อง ความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ที่เนินความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ที่นนินต้องกานข้ามทุกอย่างในโลกเหมือนมีกลางวันก็มีกลางคืนนี่หนากก็มีเบา ม, มืดก็มีสว่างอยู่นี่ มองเห็นอย่างนี้ในที่เดียวกันนั่นม่น่าจะจนจนจนตัวความหลงจนตัวความโกรธจนตัวความทุกข์มันมีความไปทุกข์อยู่เองในตัวมันนั่นทำได้ทุกชีวิตไม่ต้องขอร้องใครอ้อนวอน ทำเอาเองวิธีปฏิบัติเยอะแยะไม่น่าจะจินยอมจำนวนต่อความไม่ถูกต้องให้เป็นความไม่ถูกต้องอยู่เสมอไปโกดข้ามหวานข้ามคืนทุกข้ามปีข้ามเดือนจนตายจนหมดลงหายใจ เอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไว้กับสิ่งอื่นทั้งแที่มีอยู่แล้วในตัวเราแต่เป็นที่พึ่งกับพึ่งสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปนี่ชีวิตเราไม่มีค่ามีค่าเอามาทำความดีเอามารักความชั่วได้ในการในใจนี่ ทำไวๆชักหน่อยอย่าดื้อด้านอย่าหยาบคลายมีสติสมผัส ด, ดีๆให้นุ่มนวลเห็นความหลงเห็นความทุกข์มีสติให้มันชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งตรงนี้สมผัสถ้าไม่หัดให้มัน นิ่มนวลชักหน่มจัดด้านเหมือนฝ่าเท่าไม่ใส่รองเท้าเดินสัมผัสความเจ็บหนึ่งวันสองวันทีแรกก็เจ็บปวงเจ็บที่เยย บ, บห้นเย็บหินเยยบก้อนกวนจถ้า ปวดให้มันเเจ็บมันก็ด้านได้ด้านใน่ความเจ็บชีวิตเราเนี่ก็ด้านใน่ความโกรธความโลภความหลงถ้ามีสติมันก็ไม่นิดหน่อยไม่เพียงพองต้องใส่ใจให้มันดีๆให้รู้จักเลือกรู้จักแก้ไข จิตใจของเรามาไม่เหมือนฝ่าเท้าไม่ได้เปิดรองรับจมนด้านอะไ้หมดจมามนด้านแล้วก็เป็นคนน้อยชิงน้อยหย่องปูนเปนกันไปเอาทุกอย่างเอาเปพิษเป็นภัยต่อกาย ที่รับเอเลยมามากมายไม่มีสติหลงก็ยังหลงอยู่ได้เรื่องเก่ามาหลงอยู่อีกหลงแล้วหลงอีกงคนด้านใจด้านเรื่องทุกข์ก็มาทุกข์แล้วทุกข์อีกเรื่องเก่ามาทุกข์แล้วทุกข์อีกเอามาทุกข์ที่ใจ แม่มีวัตถุทำให้เป็นทุกข์กายก็เหมือนกันเอามาทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นจนเป็นดินพวกหงส์หมูเป็นจิตนิสัยก็เลยเป็นบาปขอกายตใจเป็นทุกข์บาปคือทุกข์อย่างที่กายใจไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ มีคาสอนมีมันสมองมีหลักปฏิบัติมีสูตรเป็นพระสูตรเป็นพระวิธรรมเป็นพระวินัยในการในใจนี่ฝ่ายบุญฝ่ายบาปเลือกได้มีอยู่ในการในใจนี่ เราใ้ใช่เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นกายในีใจนี้เราจใจผิดก็มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษในตัวมันเช่นล้วกินอาหารกินดื่มเหล้าเมื่อดื่มเหล้า เพื่อเราไมา่รู้จัช่วยตับตั บ, บารรมาทํางานเมื่อดื่มเหล้าลงไปแอลกอฮอลงไปแอลกอฮอล์ก็ไปผ่านตับตับกเปลี่ยนเปลี่ยนแอลกอฮอให้เป็นออกซิเจนนั่นเปลี่ยนไม่ไหวมันก็ดืดด้านไปเลยกลายเป็นประโยชน์ขบุดไปเลยตับขบมดเจ้าของ รู้ไหมดูเลยเนื่อโลกลายต่างๆเกิดขบฏขึ้นมาต่อชีวิตไปเลยจินาหานอะไรที่ไม่รู้จักทุกเกลียวทษดมันก็เกิดขบฏในเลือดในเนื้อในเส้นในเอ็นในกระดูกเมื่อมันเกิดขบฏก็มันก็ต่อสู้เพื่อ จะได้ความเป็นใหญ่มันก็เป็นไปได้โูกใครไข้เจ็บเป็นใหญ่ในกายในใจได้บริสุทธิ์ก็เป็นทุกข์ของกายของใจนั่นเองที่ไม่ดูแลรักษาไม่ปฏิบัติแตถ้าที่มาดีอยู่กายก็มาดีบริสุทธิ์อยู่มีให้เราได้ใช้มีปวดให้เรา ห, หายใจ เช่นเลือดเช่นลมอ่าท่องว่างไหนวิญญาณธาตุอากาศธาตุติดน้ำลมไฟถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติปก็อยู่ในความสมดุลกันพอดีเช่นลมปัดขึ้นเบื้องบนหลมนพักลมเมื่อต่อมลมในท้องลมในใจลมพัดไปตามตัว มันดีอยู่แล้วเลือด ก, ก็เหมือนกันปอดก็ทำงานเหมือนกันแต่นี่เราผู้ใช้ร่ายใช่ใจไม่เป็นเกิดความกดดันบางอย่างทำให้ขิดเที่ยนไปได้ด้านไปได้เมื่อด้านก็เกิดขบฏถึงกับตายไปเลยจิบหายไปเลย ทุกยัง ไ, ไม่กระปวดจิตใจจิตใจไม่เคยทุกบริสุทธิ์อยู่เดิมเมื่อทุกเป็นทุกไม่ได้ช่วยจิตไม่มีสติแล้วเอาทั้งหมดพวกทุกข์ก็กระปวใจก็เลยใจก็เป็นของใจความโกรธเป็นทั้งของใจความทุกข์ของใจอะไรนำหน้าไปเลยอะไรมันกระปวดเพรต้อง โกรธแจ่เจ็บตายในภพภูมิต่างๆเกิดดับเกิดดับเกิดดับนัน่นคือมันกับบุตอสุขเป็นสุขมันกับบแล้วทุกข์เป็นทุกข์กับบแล้วโกรธเป็นโกรธกับบแล้วโดยเฉพาจิตเมื่อเป็นเชียนน่านก็ยึดยึดอำนาจสป็นใหญ่ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง เราจึงมาปฏิบัติจะปล่อยตัวเองทิ้งคือมีสติปกติมันก็มีสติเห็นกรเห็นจิตตามความเป็นจริงมีความเป็นจริงมีความไม่เป็นจริงในความจริงมันก็มีไม่จริงบหมอย่างในความ จริงบางอย่างก็มีความไม่จริงบางอย่างเกิดขึ้นได้เช่นสามลักษณะของรูปของนามมีตัวมไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนเป็นย่อยตามธรรมชาติกดธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติของชีวิตเราทั้งหมด ไม่ว่าจะอะไรในโลกนี้เป็นอย่างนี้เมื่อเรามีทรรมเห็นทรรมจะเห็นจริงเหล่านี้ตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงไม่ใช่อามาเป็นทุกขโม่ในความไม่เที่ยงหมือนไปเมื่อเกิดความไม่เที่ยงช่วยเรางดงามทำไมเรางดา ง, งามสง่างามกมเป็นทุกข์ก็ช่วยเราทําให้เราไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ ยื่งใหญ่เราก็ใหญ่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามกวาเป็นจริงเหมือนนางผ้าเหมือนสาวงามพี่เทวดามาช่วยเราทำหต่างๆนี้ถ้าได้สัมผัส ด, ดีๆหนึ่งเหมือนเทพิดาเหมือนกับดาลาเกิดในการในใจเรานี่มิตรจิงที่มา ช่วยเราให้เราไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายให้เราเรายิ่งใหญ่เป็นใหญ่ไม่ทําเป็นใหญ่แต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เห็นจริงไม่เห็นคุณค่าไม่เอามา เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์บางท่านนี่มันไม่เที่ยงยังมาเป็นทุกข์ยงดึงยงสวนยงขืนไมโยมหลบไม่มีปัญญาเลยโง่ตรงนี้ทุกข์าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่โ ง, ง่แล้วคนมีปัญญาที่เป็นการศึกษา เรจะได้ปัญญานี่คือกวมไมเที่ยงมันเป็นควมไมเที่ยงได้ปัญญาได้เกิดเมื่อเกิดผลพ้นจากควมทุกข์ที่เกิดควมไมเที่ยงมาเชื่อมาเป็นทุกข์เลยได้เห็นความจริงมันบอกมันบอกมันบอกบอกชัดเจนบอกจริงบอกจังคือเรื่องนี้บอกให้ขี้ลงไปขี้ลงไปนี่นี่นี่อย่างนี้ แต่เราไม่รับรู้ธรรมชาติมันบอกว่ามันทุกข์ของรูปของนามเป็นความนทุกความเป็นทุกข์ของธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังเราว่าเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญาคนอัญญารู้แล้วพระเจ้าเทศนาธรรมจักรการแรก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 คำบอกที่เป็นศาสตร์เป็นศิลกันแรกคืคนแรกก็เคยได้ศึกษามาไม่เคยมีใครบอกก็เห็นจริงเดี๋ยวนี้เราก็ชินแล้วท่องได้สวดมนต์ได้แต่ยังเอามาเป็นทุกข์อันนี้ไม่เห็นภายในใจอาจจะเป็นสัญญาเฉย ไม่ได้สมผัตไม่ได้รู้แจ้งลึกซึ้งเข้าไปกวามไม่ใช่ตัวตนไม่ได้สมบัติไม่เที่ยงนะไม่ค่อยตัวตนนะในความไม่เที่ยงในความไม่ทุกในความไม่ใช่ตัวตนมีคุณค่าเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสองอย่างสองลักษณะนี่เราจะเห็นถ้าเรามี สติมีกรรมาฐานเห็นตามกรรมเป็จริงเรื่องนี้ทันทีแต่รู้แต่ลวงได้ทำพาให้เราได้เห็นธรรมความทุกข์ทำเราเห็นทุกข์เกิดปัญญาตรงนี้ความทุกข์ทำเราได้เกิดปัญญาไม่ใช่ปัญหาปัญหาทำให้เกิดปัญญา น่าจเวลาเราปฏิบัติทำมันยิ่งใหญ่นะในโลกเนี่ยเรายิ่งใหญ่ที่สุดเลยเวลาเราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นมาเรายิ่งใหญ่เพ่า น, นั้นกลางดงกลางป่ามีช้างมีเสือก็อเราก็ยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดให้อะไรมาครอบงำเราหน่อเรายิ่งใหญ่ที่นี่ ที่กายที่ใจเรานี่อะไรที่เกิดขึ้นรรหวางเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ยิ่งหยาดเจอ ก, กับวัตถุทึ่งที่สองสดใสเราสิสะะสงคู่คนเรายืนหยัดในความถูกต้องเราไม่ไปเบียนขายเเด็ดขาด แม่จะไม่ช่างไม่เสือมาแล้วก็ไม่เคยเบียเบียนช่างเบียเบียนเสือเราบริสุทธ์หมดโจดเรายิ่งใหญ่อะไรมาทําให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษเขก็ไม่ชอบทำไม่ชอบโดยทรมเราทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะไปโกรธไปเคืองไปให้เสีย อ, อกเสือใจ นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติอะไรก็ยอมอ่อนแอไปเลยม่วงเหงาเหาอ่อน ห, หน้าปากเกลียดชี้คอดเอาอะไรต่างๆมาเป็นใหญ่ความม่วงเป็นใหญ่ความเกลี่ยเป็นใหญ่เอาความปวดเป็นใหญ่เอาความเจ็บตุนนั่นตุนนี้เป็นใหญ่เอาวัตถุจิงอื่นเป็นใหญ่อ้างนู่นอ้างนี้ ก็เลยไม่ยิ่งใหญ่สักทีปฏิปธรรมมันยิ่งใหญ่นะเวลาเราเห็นเลยที่มเกิดกับตัวเราเนี่ยมันใหญ่ตรงนี้มันก็ใหญ่สิ่งอื่นด้วยไปมา่มาแต่อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยช่องก็ไม่กลัวเสือก็ไม่กลัว เราลู่หมดตัวเองแล้วนะมันใหญ่ถ้าไม่เป็นใหญ่ในตัวเองก็อนเรขี้ขาดตัวแล้วหลวงเป็นหลงเนี่ยขี้ขาดทีแล้วความหลงเป็นหลงวงกลัวช่างกลัวเสือกลัวเจ็บกลัวตายได้ไปแบบนั้นแตนหลงเป็นลู่เนี่ยไม่กลัวช่างกลัวเสือไม่ชัวความเจ็บความแก่ความช่าย ถูก ข, ข, ข, ข, ข, ขนสุกทุกขนทุกหนขนอ่อนเด้อเวลาเราปฏิบัติธรรมจะเห็นเรื่องนี้นะเหมัอนกับสนับสนุนสิ่งที่ไม่ถูกต้องสนับสนุนถ้าเกิดความถูกต้องมีแต่ได้ไม่มีเขียวเราปฏิบัติมีสตินี่แล้วมี ฐานตั้งไม่ฐานตั้งกับหมาลู้จากตัวเป็นเฉยภูมิที่ดีของนักรบกรรมาฐานนี่ก็ามีกรรมฐานจริงๆจับให้ได้จริงๆเนี่ยเหนือการเกิดแก่เจ็บตายได้ทันทีเหนือโลกทันทีอะ ดูดีๆเหรอเดีวนี้บทีก็อดเดี่อวขีขอดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก็ไหลไปตามให้แต่ความคิดอยหอบหิ้วไปได้าหายบาทมาจะมาปฏิบัติเกิดความคิดขึ้นมาหอบหิ้วบาดหนีบาดเปียงบอกให้เลิกสุบไม่สุบวุ่รี่ก็กลัวเช่แล้ว มีระเบียบให้ปฏิบัติเพื่อเป็นลั่ล้อมไม่งดงามก็กลัวเฉียแล้วผิดศีลผิดธรรมกอนโลอะเทอะชีวิตเละอะเทอะมมนชอบเจ้าแบบเจ้าแผนระเบียบวินัยมันเป็นสิ่งประดับให้เราได้เกิดความงามขึ้นมาศีลก็ทำให้เรามีระเบียบขึ้นมา ช่วยให้เราได้บรรลุธรรมันรลากเหมือนต้นไม้มีรา ก, ม, ากมีต้นมีจริงการสขาขาเกิดดอกออกผลผลไม่ใช่ผลของมันเลยมันอยู่ที่รากทำไม่วิไหนเหมือนกันทั้งหมดนะเฮ้ก็คือวิเศษหลงไม่วิเศษรู้วิเศษวัวทุกไม่วิเศษ ทวงไม่ทุกเป็นสิ่งที่วิเศษได้วิเศษวิโสขึ้นจากพร้อมตามต้อยเป็นบัณฑิตตรงนี้เป็นนักป่าตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้มีศินก็มีตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดเจสินขึ้นมาทันทีหลงเป็นสินลูกขึ้นมาเป็นสินแล้วทุก ถ้าไมเรามีความลูกขึ้นมาเป็นศีลเกิดขึ้นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ทุกก็เป็นทุกนั่งปฏิบัติหน้าบวดหน้างอหน้าเศร้าหน้าหมองแทนที่จะโองงอัดเร็วก็ในสมภัดได้อยู่ใกล้ดูหน้าดูเฉพาะหน้าพระพาของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เวลาเราปฏิบัตินี่ได้เห็นอย่างนี้ เดินล่องลอยผ่านหลักฐานนีกิมเกิดกับตัวเราเนี่เกิดกับกากับเจเนี่โอ้นี่พุทธเจ้ารู้อย่างนี้ผ่านตรงนี้วราอาหารผ่านตรงนี้รู้อย่างนี้ว่าโน่นผ่านรูทะอุบาลีโงกขลักษณ์สาลีวุตรผ่านตรงนี้เยอะแยะเลยอุนจอยวนจอย อยู่คนเดียวก็เหมือนกับหมู่อยู่กับหมู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวจึงเแขวนแขวมบอดิสุทธิ์บอดิวูญชิ่นเชิงเพิ่มท่องอัตถะเพิ่มทัศพยัญชนะไพร่โลเฟื้องต้นไพร่โลท่ามกลางไผร่โลที่สุดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดว่าเกับจายตามความจริงจริงตามความเทิดความจริง ความไม่จริงก็ทิ้งตรงนั้นไม่เอามาแบกไม่ามาถือไม่มีเามาให้ทิ้งความไม่เที่ยงก็พ่อจะทิ้งไว้ตรงความไม่เที่ยงก็มีความทุกข์ก็พ่อทิ้งลงความปนทุกข์นั้นมีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ทิ้งลงตรงนั้นทิ้งง่ายวางง่าย เมื่อวังก็เบาก็ไปได้เอาไว้หลังเอาไว้หลังเอาไว้ล่ะมีสิ่งที่ไว้หลังแต่ก่อนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้เอาไว้ข้างหลังมันก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรมีธรรมที่ทำให้เราได้าธยายมีเพื่อนมีมิตร ไม่หลงแน่นอนถ้าบอกอย่างนี้ไม่หลงแน่นอนช่วเตัวองได้ถ้ามีสติเป็นกรรมฐานเั็นที่ตั้งอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ให้รู้เข้าถึงภาวะที่รู้วันหนึ่งเราถึงรู้ถึงรู้ถึงรู้เป็น หลยหลยอาชงไขยลงวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราเป็นนักกรรมฐานถ้าเราไม่เป็นนักงลนวันหนึ่งเอาถึงความหลงหลยอาชงไข่หลงทุกข์ก็หลยชงไข่ทุกเราไม่ทุกข์ก็ทุกไหลยชงไข่ประสบการณผลเรียนตรงนี้เยอะแยะมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น ถ้าหลงเป็หลงก็ต่ำหลงต่ำหลงต่ำหลงต่ำหล ง, ลงถูกโลกทับถมโผลแฉ่เจ็บตายถ้าหลงไปลู่สฉมขึ้นสฉม ข, ขึ้เหนือโลกเหนือแฉ่เหนือเจ็บเหนือตายเป็อย่างนี้เวลาเราวันทีวันพอให้ตั้งใจมีการกระทําจริงๆอย่าได้ประมาทพวกนี้ไม่มีสําหรับเราไม่รู้ว่าเราจะตายพวกนี้หรือยังพวกนี้มีสําหรับเราไ้ย เวลานี้มีแล้วโอกาสนี้มีแล้วหายใจเข้าอยู่นี่หายใจออกอยู่นี่มีแล้วนี่แหละคือสมบัติของเราประกอบกันมาผู้นี้ก็ไม่มีผู้วานก็ไม่มีมีแต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นให้จัดสรรชีวิต ด, ดีๆอย่าเบียดเบียนกันอย่า ชนกันไปทางอื่นให้ได้โอกาสให้มีโอกาสปฏิบัติอย่างนี้ที่ไหนไหนก็อยู่ตรงนี้ในโลกนี้ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งให้อยู่อย่างนี้ไม่ใจคิดโน่นคิดนี้เอาดีจากคนอื่นที่โน่นที่นี่แหกันไปอย่างได้ทราบว่ามีพระที่บัดเราไปปฏิบัติ รวมกันทั่วประเทศทั้งเจ็ดแดอยคนอาจารย์ดีอาจารย์ขังศักดิ์สิทธิ์ปืนยิงไม่เข้ามีดฟันไม่เข้าเอาดีจากคนอื่นแล้วชาวบามีผู้ซื่อผู้มัจฉลองวันทิน้นปริวาฉลองกันจูดผู้แตกกันเก็บกันเข้าโรงไว้วา <c oughs> <c oughs> อันนี้ เอาดีจากคนอื่นอะไรศักดิ์สิทอิ์นะคนอื่นศักดิ์สิทธ์หรือเอาดีจากคนอื่นเลยยิ่งไม่เข้ามันไม่ดีให้เขามายิง่ะมันดีถ้าเขายิงอยู่ยังไม่ดีถ้าเขายังฝันอยู่คนนั้นยังไม่ดีเอาให้เป็นคนดีอย่าให้เขามายิงอย่าเขาบไปกลัวอะไรนะเราต้องทําอนะีรเราดีอยู่นี้ ก็จะฆ่าก็แล้วแต่เขาเราไม่ทำบาปทำกรรมแล้วคนดีคนชั่วคนพานมีในโลกนี้แต่เราไม่ทำหยุดคนเดียวแล้วลาลงไปลาลงไปให้มั่นใจบริสุทธิ์ตรงนี้หมดจดตรงนี้เอาเนาะเราจะฆ่าก็ฆ่าแต่เราไม่เบียดเบียนใคร แม้แต่ธรรมชาติก็ไม่เบียดเบีย น, ยนมีโรคมีมาเรียอยู่ที่นี่หรือขนล่มขนตายที่หรือธรรมชาติหรือมีโรคอยู่ที่นี่หรืออา้าเปลเป็นเพื่อนหออยู่ด้วยกันอาศัยเพื่อสงบปิเวิกถ้าจะร้อนจะหนาวอา้ากอดต้นไม้ เราเป็นมีดกันกับแผ่นดิดนนี่ไม่เป็นศัตรูกับบวายเราจเราจิตจที่นี่ขอเป็นมีรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมดก็อยู่ด้วยกันกับมดเหมือนที่หัวกัดเราหักากัดเราจะนอนอยู่ผู้หลงมันยังมาตามมากัดที่นี่มันติดมา มันติดมาจากผู้หลงมากาดอยู่ที่นี่จนว่าวองอ๋อากาดเราเขาไม่รู้เรื่องเราก็อยู่อยู่กับเข า, ข า, าเขาก็กาดเขาไม่อาชีพห้าชินแบบนั้นนี่เฮ้ยเลยไม่ได้เป็นสตูกับอะไรเลยลุ่สุด ไม่ต้องไปหาอดุลละกานมีดการประยุนกันความชั่วนี่เออที่เป็นความชั่วเราจะเด็ดขาดเลยทุกเด็ดขาดไม่เอามาที่ที่เป็นทุกเรามาทำาห้ตรงเป็นทุกเด็ดขาดไม่ทําคนอื่นเป็นทุกเด็ดขาดแมว เ, เรื่องการเรื่องใจมาเป็นไปไปทุกเด็ดขาดในโลกนี้เป็นเบียดใคร เ, เด็ดขาดเด็ดขาด